บรรดาโลกิยธรรมนักปฏิบัติที่เริ่มเจริญฌานภาวนาไม่อาจกำหนดรู้อรูปฌานที่สชื่อในวสัญญานาสัญญายัตนะฌานดังกล่าวมีความละเอียดสุขุมไม่มีสัญญาปรากฏชัดเจนแม้กระทั่งพระสารีบุตรก็ไม่อาจกำหนดรู้สัญญาเป็นต้นทีละอย่างในฌานนั้น ส่วนผู้ที่บรรลุฌานแล้วย่อมสามารถกำหนดรู้มหคัต ธ, ธรรมได้ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุฌานย่อมไม่อาจกำหนดได้เพราะญาณธรรมไม่เคยปรากฏในกระแสจิตของตนดังสาทกในคำภีวิสุธทธิมรคมหาดีกาว่ามหคัตจิตย่อมปรากฏชัดแก่ผู้บรรลุฌานเท่านั้น คำว่าเท่านั้นซึ่งเป็นความหมายของเอวัสัภ์แสดงการปฏิเสธว่ามหคัตจิตย่อมไม่ปรากฏชัดแก่ผู้ที่ไม่ได้บรรลุฌานคำว่าปรากฏชัดหมายถึงสภาวะลักษณะของฌานปรากฏแก่ปัญญาที่รู้เห็นอย่างชัดเจนคำว่าไม่ปรากฏชัดหมายถึงการอนุมานโดยมิได้รับรู้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ที่ไม่ได้บรรลุฌานจึงควรกาหนดรู้กามธรรมทเท่านั้นเมื่อการมาธรรมปรากฏชัดเจนแล้วก็อาจอนุมาณรู้มหักตะธรรมได้อันหนึ่งผู้ที่เจริญวิปัสสนาควรกำหนดรู้เท่าทานกรรมาธรรมที่เป็นรูปนามซึ่งปรากฏชัดในปัจจุบันขณะไม่ควรอนุมานรู้รูปนามที่ไม่ปรากฏชัดอย่างแท้จริง ดังข้อความในคัมภี์วิสุทธิมักว่าในบรรดาธรรมที่ควรยังเห็นธรรมเหล่าใดปรากฏชัดแก่บุคคลใดย่อมถึงความเป็นธรรมที่บุคคลกําหนดรู้ได้โดยสะดวกเขาควรปรารภการยังเห็นในธรรมเหล่านั้นในรูป28ประเภทควรกําหนดรู้รูปปรมัตโดยแท้18อย่างที่เรียกว่ารูปะรูป รูปที่มีการเสื่อมสลายไปนิพพันธรูปรูปที่เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารสลักหณะรูปรูปที่มีลักษณะของตนที่เป็นสังคตธรรมอันได้แก่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสมัสนรูปรูปที่ควรยังเห็นโดยความเป็นไตรลักษณ์ด้วยวิปาาัสนาญาณสภาวะรูป รูปที่มีสภาวะของตนของตนนักปฏิบัติไม่ควรกําหนดรูปสิบประเภทที่เรียกว่าอ น, นิพันธะนรูปคือรูปที่ไม่ได้เกิดจากกรรมจิตอุตตุและอาหารมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคำพีวิสุทธิมรคมหาดีกาว่านักปฏิบัติควรกําหนดรู้รูประรูปเท่านั้นในเรื่องนี้ไม่ควรกาหนดรู้อากาศาธาตุ วิการรูปและลักษณะรูปนอกจากนี้ปุถุชนและพระเสกขะย่อมไม่อาจกำหนดรู้กิริยาชวนาจิตของพระอรหันต์ได้บุคคลเหล่านั้นผู้จเจริญวิปัสนาภาวนาควรกำหนดรู้รูปนามด้วยปัจจัคะวิปัสนาดังนี้นิพพานรูป18ปดภาษาทรูปหวิสยะรูปเจ็ด อาโปธาต์หนึ่งภาวะรูปสองหไทยวัตถุหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งอาหารรูปหนึ่งกามาวาจรจิตส5้าดวงคืออากุศลจิต12อเหตุกจิต7ยกเวน้นหาสิตุป ป, ป, ปาธจิตมหากุศลจิต8มหาวิปากจิต8 เจตสิกห้ดวงที่เกิดพร้อมกับจิตเหล่านั้นในขณะเห็นสีทางจักขุทวารรูปนามอันได้แก่จกัก ร, าารุประสาทรูปารมณ์คือสีและจักขุวิญญาณที่รับรู้อารมณ์ทางจักรุทวานพร้อมด้วยจิตและเจตสิกอื่นๆที่เกิดพร้อมกับจักขคุวิญญาณย่อมปรากฏไปตามลำดับได้แก่จิต35ดวง คือปัญจทาวาราวชณะจิตหนึ่งสัมปติชนะจิตสองสันติระณะจิตสโวทัพณะจิตหนึ่งกามชวนายีสคืออกุศลชวนาสิมหากุศลชวนาแตถารัมณะจิตสิอคือสันติระณะจิตสมหาวิปากาจิต8 นักปฏิบัติไม่ควรกำหนดรูปสิบประเภทที่เรียกว่าอนิพพันรูปคือรูปที่มิได้เกิดจากกรรมจิตอุตตุและอาหารมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคำภีวิสุทธิมรกมหาดีกาว่านักปฏิบัติควรกำหนดรู้รูปรูปเท่านั้นในเรื่องนี้ไม่ควรกำหนดรู้อากาศธาตุวิการรูปและลักษณะรูป นอกจากนี้ปุทุชนและพระเสกกะย่อมไม่อาจกำหนดรู้กิริยาชวนาจิตของพระอรหันต์ได้บุคคลเหล่านั้นผู้เจริญวิปัสนาภาวนาควรกำหนดรู้รูปนามด้วยปัจจคะวิปัสนาดังนี้นิพนรูป18ปดภาษาทรูป5วิสยรูปเจอาโปธาต์หนึ่ง ภาวะรูปสองหัยวัตถุหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งอาหารารูปหนึ่งกามาวาจรจิต45ดวงคืออกุศ ล, ลจิต12อไอเหตุตุกจิต7จ็ยกเว้นหัสิตุป ป, ปาธจิตมหากุศลลจิต8มหาวิปากจิต8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 คือปัญจทะวราวัชณะจิตหนึ่งสัมปติชนะจิต 1, สองสันติรณะจิตสโวทัพณะจิตหนึ่งกามะชวนณะ20สคืออกุศลชวนณะ12มหากุศลชวนณะ8ตทารัมพณะจิต11อคือสันติรณะจิตสาม มหาวิปากจิตแปดในขณะได้ยินเสียงทางโสตทวารรูปนามที่เกิดขึ้นคือโสตประสาทศัทธารมและโสตวิญญาณที่รับรู้อารมณ์ทางโสตทวารพร้อมด้วยโสตทวาริกจิตและเจตสิกอื่นๆที่เกิดพร้อมกับโสตวิญญาณย่อมปรากฏโดยมีลำดับจิต35ดวงข้างต้น ในขณะรู้กลิ่นทางคณะทวารรูปนามที่เกิดขึ้นคือคณะประสาทคันธารมและคณะวิญญาณที่รับรู้อารมณ์ทางคณะทวารพร้อมด้วยคณะทวาริกจิตและเจตสิกอื่นๆที่เกิดพร้อมกับคณะวิญญาณย่อมปรากฏโดยมีลำดับจิต35ดวงข้างต้นในขณะ ลิ้มรสทางชิวหาทวารรูปนามที่เกิดขึ้นหรือชิวหาประสาทรสารมและชิวหาวิญญาณที่รับรู้อารมณ์ทางชิวหาทวารพร้อมด้วยชิวหาทวาริกจิตและเจตสิกอื่นๆที่เกิดพร้อมกับชิวหาวิญญาณย่อมปรากฏโดยมีลำดับจิต3 5ดวงข้างตน้นในขณะสัมผัสทางกายทวารรูปนามที่เกิดขึ้น คือกายประสาทพดทับพารมธาตุดินอันได้แก่สภาวะแข็งอ่อนธาตุไฟได้แก่สภาวะเย็นร้อนธาตุลมอันได้แก่สภาวะหย่อนตึงและกายวิญญาณที่รับรู้อารมณ์ทางกายทวารพร้อมด้วยกายทวารริกจิตและเจตสิกอื่นๆที่เกิดพร้อมกับกายวิญญาณ ย่อมปรากฏโดยมีลำดับจิต35ดวงข้างต้นในขณะรับรู้ความเป็นหญิงหรือชายอิทธิภาวะรูปที่แสดงความเป็นหญิงหรือปริสภาวะรูปที่แสดงความเป็นชายย่อมเกิดขึ้นทางมโนทวาร ในขณะเกลือน้ำลายบ้วนน้ำลายหรือน้ำตาไหลน้ำมูกไหลเงื่อไหลาอาโปธาที่มีสภาวะไหลเกาะกลุ่มย่อมเกิดขึ้นทางมโนทวารในขณะคิดพิจารณาหรือกำหนดรู้ปัจจุบันอารมณ์หทายวัตถุซึ่งเป็นรูปที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกย่อมเกิดขึ้น จิตที่คิดพิจารณากรรมธรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมี32ดวงคือมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งกามวัชนะ20สิารมณะจิต11ส่วนจิตที่กำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันคือมโนทวาราวชนะจิตหนึ่งมหากุศลจิต8ดตตารมณะจิต11อ อันหนึ่งแม้วิปัสนาชวนาจิตที่เป็นยานวิปรยุตตจิตก็มีได้ในบางคราวดังมีสาทกว่าแม้ผู้เจริญภาวนาย่อมเจริญได้ด้วยมหากุศ ล, ลจิตแปดดวงดวงใดดวงหนึ่งนั้นบางคราวการกาหนดรู้ย่อมมีด้วยจิตที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาด้วยกำลังของความคุ้นเคย การใส่ใจย่อมเป็นไปได้บ้างในบางขณะแก่ผู้เจริญสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาที่กล้องแกลลวแม้ด้วยจิตที่ไม่ประกอบกับปัญญานอกจากนี้แม่ตาธรรมพนะจิตย่อมมีได้โดยเกิดขึ้นในลำดับต่อจากวิปัสนาชวนาจิตที่มีกำลังอ่อนดังสาธกในคำพีปฎฐานว่า ย่อมอย่างเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อกุศลดับแล้ววิบากย่อมเกิดขึ้นโดยความเป็นตถารมอาหารรูปที่เป็นสารอาหารย่อมปรากฏเมื่อกินอาหารแล้วมีกําลังวังชาเพิ่มขึ้นหรือเมื่อมีได้กินอาหารแล้วหมดเรียวแรงชีวิตรูปที่มีสภาพตามรักษารูปที่เกิดจากกรรม คือกรรมมัชรูปได้ดำเนินต่อไปย่อมปรากฏเพื่อตามรักษาประสาทรูปภาวะรูปและหัยรูปซึ่งเป็นกรรมมัชรูปที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประการดังนี้นักปฏิบัติพึงเจริญวิปัสนาภ า, าวนาด้วยการกำหนดรูปรูปนามที่ปรากฏชัดในปัจจุบันขณะนั้นๆ ตามความเป็นจริงอันหนึ่งแม้ว่าอารมณ์ของวิปัสนาจะเป็นได้ทั้งอารมณ์ภายในและภายนอกดังข้อความในมหาสติปัฏฐานสูตรแต่นักปฏิบัติควรเริ่มจากการกาหนดรู้อารมณ์ภายในคือรูปนามที่อยู่ในร่างกายที่ยาวไม่เกินวาหนาเพียงคืบกว้างเพียงซอก เมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าแล้วก็จะสามารถรับรู้อารมณ์ภายนอกได้เองวิธีนี้เป็นวิธีปฏิบัติของสาวกทั้งหลายดังปรากฏในดิกาของอนุปปสูตรที่อธิบายเรื่องของพระโมคคัลลานะเถระผู้กำหนดรู้สภาวะธรรมบางส่วนแล้วได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์มีข้อความดังนี้คำว่า เอกเทเสเมวะเพียงบางส่วนมีความหมายว่าพระเถระได้กำหนดอย่างเห็นเพียงบางส่วนซึ่งตนไม่อาจกำหนดรู้และอย่างเห็นสังขารธรรมในอัตภาพของตนโดยสิ้นเชิงตามกำลังปัญญาที่ได้สั่งสมมาดังนั้นพระเถระจึงอย่างเห็นธรรมทั้งปวงที่เป็นไปในกระแสรูรปนามของตน และอย่างเห็นธรรมที่เป็นไปในกระแสรูรปนามของคนอื่นโดยความเป็นธรรมภายนอกทั่วไปมิได้กระทําจากการจําแนกระแส ร, รูปนามของบุคคลเหล่านั้นวิธีนี้เป็นวิธีอย่างเห็นของสาวกทั้งหลายด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติจึงไม่ควรแสวงหาหรือกำหนดรู้อารมณ์ภายนอกเช่นเสียง โดยไม่สนใจต่อสภาวะได้ยินซึ่งเป็นอารมณ์ภายในเพราะจะทำให้จิตสัดสายฟุ้งซ่านส่งผลให้สมาธิและปัญญาไม่เจริญขึ้นแม้จะปฏิบัติติดต่อกัน15้าวันหรือหนึ่งเดือนก็ไม่อาจประสบความก้าวหน้าและผู้ที่ไม่ได้กำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันแต่กลับไปพิจารณาว่าเป็นรูปหรือนาม ที่ตนเคยศึกษามาก็ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการนึกคิดด้วยสัญญาไม่ใช่การเจริญสติระลึกรู้อย่างแท้จริงดังนั้นนักปฏิบัติจึงควรกำหนดรู้อารมณ์ภายในเป็นหลักและอาจกำหนดอารมณ์ภายนอกที่มาปรากฏเองทางทวารทั้งหกได้เช่นกันดังคำพีวิสุธทธิมรักษ์มหาดีกากล่าวว่า การเจริญวิปัสนาอาจมีได้ทั้งภายในหรือภายนอกแต่เมื่อการกำหนดรู้สำเร็จภายในก็เป็นอันกำหนดรู้รูปนามทั้งหมดโดยลักษณะที่เป็นสภาวะลักษณะและสามั ญ, ญลักษณะโดยสิ้นเชิงควรกำหนดรู้เท่าทันปัจจุบันนักปฏิบัติควรกำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันซึ่งจาแนกเป็นขณะปัจจุบัน คือปัจจุบันขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นสัน ต, ติปัจจุบันคือปัจจุบันต่อเนื่องจากอดีตที่เพิ่งดับไปและอัตตาปัจจุบันคือปัจจุบันโดยริยการตลอดชีวิตเมื่อการกำหนดรู้ปัจจุบันมีกำลังแก่กล้าแล้วนักปฏิบัติจะสามารถอนุมาณรู้ธรรมที่เป็นอดีตและอนาคตได้ด้วย ความจริงแล้วอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วอนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นเราไม่อาจรับรู้สภาวะธรรมในอดีตหรืออนาคตได้ชัดเจนลองพิจารนาว่าเราสามารถรับรู้สิ่งที่เคยประสบมาในพบก่อนหรือไม่รูปธรรมและนามธรรมของเรามีสภาวะอย่างไรคือผิวกายสีดาหรือขาวมีจกักขูประสาทเป็นต้นครบถ้วน หรือไม่มีอิทธิภาวะรูปหรือปุริสภาวะรูปมีจิตและเจตสิกประเภทไหนเกิดขึ้นหรือมีจิตประเภทไหนเกิดต่อจากจิตดวงก่อนการกล่าวถึงพบก่อนซึ่งยังไกลเกินไปลองพิจารณาพบนี้ว่าในวันเดือนปีที่ผ่านมามีสภาวะธรรมรูปนามเกิดขึ้นอย่างไร แม้รูปนามที่เกิดผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมง10บนาทีหรือหนาทีก็ไม่ปรากฏลักษณะพิเศษอย่างชัดเจนกุศละจิตก็อาจจะเกิดอกุศละจิตได้คือคิดว่าควรเกิดโสมนัสก็อาจจะเกิดโทมนัสแทนทุกคนไม่อาจรู้เห็นอนาคตได้แม้จะคิดว่าตนเองเป็นสุขอยู่ก็อาจจะประสบอุบัติเหตุนานประการเช่นต้องอาวุธ บ้านพังล้มทับตกจากที่สูงไฟไหม้จมน้ำงูกัดเหยียบน้ำบางคนแม้ใกล้เสียชีวิตก็ยังสำคัญว่าตนมีอายุยืนอันหนึ่งสภาวะธรรมปัจจุบันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดภายในร่างกายและปรากฏทางทวารทั้งหกการเจริญสติกำหนดรูปรูปนามปัจจุบันจึงทําให้นักปฏิบัติสามารถยังเห็นลักษณะพิเศษ และลักษณะทั่วไปได้อย่างชัดเจนเปรียบเหมือนคนที่แงนดูท้องฟ้าเมื่อเกิดฟ้าแลบเขาย่อมเห็นสถานที่เกิดฟ้าแลบและรูปร่างสันฐานของฟ้าแลบได้อย่างชัดเจนในกรณีตรงกันข้ามถ้าแงนดูท้องฟ้าเมื่อฟ้าแลบหายไปแล้วหรือดูเมื่อยังไม่เกิดฟ้าแลบเขาย่อมไม่เห็นการเกิดขึ้นจริง ของฟ้าแลบได้ดังนั้นนักปฏิบัติจึงไม่ควรใส่ใจต่ออดีตหรืออนาคตควรเจริญสติกำนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันตามความเป็นจริงนอกจากนั้นกิเลสที่เรียกว่าอา ร, รมณานุสยัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ย่อมเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้เจริญสติรู้เท่าทัน แต่จะไม่เกิดขึ้นในอารมณ์ของนักปฏิบัติได้กำหนดรู้แล้วการเจริญวิปัสสนาในสภาวะธรรมปัจจุบันจึงเป็นการละกิเลสโดยตะทงังขับปหานะคือละได้ชั่วขณะในเวลาเจริญสติกำหนดรู้ ทั้งยังเป็นการละกรรมวิบากและขันที่เป็นผลของกิเลสต่อมาจะกล่าวถึงเรื่องนี้โดยพิสดาในปริเชตที่เจเรื่องอนิจจานุปัสนาความจริงแล้วอรมณนานุสายย่อมนอนเนื่องอยู่ในอดีตอารมณ์ที่บุคคลไม่ได้กำหนดรู้แม้คณะบัญญัติคือบัญญัติแสดงกลุ่มก้อนที่เกิดโดยเนื่องด้วยอดีตทามนั้น ปรากฏในกระแสจิตเหมือนถ่ายภาพเก็บไว้ทุกขณะที่เราระลึกถึงอดีตที่เห็นได้ยินรูปรู้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสหรือคิดถึงเรื่องราวคณะบัญยัตย่อมปรากฏทำให้สำคัญว่าเป็นตัวตนที่เที่ยนแท้เป็นสุขบังคับปัญชาได้แม้จะพิจารณาตามความรู้ที่เคยศึกษามาว่า มีเพียงรูปนามที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็ไม่อาจละคานบัญญัติที่เหมือนภาพถ่ายได้และไม่อาจละกิเลสที่ยึดมั่นว่าเที่ยงเป็นสุขบังคับบัญชาได้ตัวอย่างเช่นพ่อแม่บางคนสอนเด็กให้กล้าหาญไม่กลัวผีพอเด็กโตขึ้นก็ไม่กลัวผีแม้เห็นผีก็คิดว่าเป็นของประหลาด แต่พ่อแม่บางคนหลอกเด็กให้กลัวผีเมื่อโตขึ้นก็มักกลัวผีแม้จะไม่เคยเห็นก็คิดสร้างจินตนาการและกลัวไปเองแม้คนอื่นจะบอกว่าไม่ต้องกลัวก็ยังไม่หายกลัวเพราะเคยสั่งสมความกลัวมาก่อนในกรณีเดียวกันผู้ที่เจเริญสติกำนดรู้รูปนามโดยความเป็นสภาวธรรมไม่ปรากฏคณะบัญญัติ ก็จะไม่เกิดกิเลสเมื่อคิดถึงรูปนามนั้นอีกแต่ผู้ที่ไม่ได้เจริญสติกำหนดรู้เท่าทันปัจจุบันย่อมเกิดกิเลสขึ้นเมื่อถึงรูปนามที่ผ่านมาเพราะคณะบัญญัติได้ปรากฏให้สำคัญว่าเป็นตัวตนและประกอบกับความยึดมั่นที่มีซึ่งไม่อาจไทยถอนได้ แม้อนาคตอารมณ์ที่บุคคลไม่ได้กำหนดรู้ก็เป็นเหตุเกิดแห่งอารมานานุสัยเช่นกันด้วยเหตุนี้การตามรู้สภาวะธรรมปัจจุบันจึงทำให้นักปฏิบัติเกิดปัญญาอย่างเห็นสภาวะที่แท้จริงของรูปนามและสามารถละกิเลสในขณะนั้นๆสภาวะธรรมปัจจุบันจึงเป็นอารมณ์ของการเจริญสติบาเพ็ญวิปัสนาภาวนา ดังสาธกในพระเทกรตตะสูตรว่าอดีตดับไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงจึงไม่ควรคำนึงถึงอดีตไม่มุ่งหวังอนาคตพึงเจริญวิปัสนาญาณให้รู้แจ้งสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นนั้นอันตัญหาทิฏฐิไม่อาจฉุดรัง้งและทำให้วิบัติได้บุคคลควรเพียรเผากิเลสเสียแต่วันนี้ ใครจะรู้ถึงวันตายในวันพรุ่งเพราะพวกเราไม่อาจขอผ่อนผันจากมัจจุราชผู้มีกองทัพใหญ่นั้นได้เพราะมูนีผู้สงบยอมเรียกผู้เพียรเผากิเลสอยู่ตลอดที่วาราตรีอย่างนั้นว่าผู้อยู่ราตรีเดียวอย่างมีประโยชน์อดีตการที่กล่าวถึงในพระสูตรนี้หมายถึง สิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งในพบก่อนและพบนี้ไม่ใช่หมายถึงอดีตการในพบก่อนเท่านั้นความเจริญผู้ที่บรรลุอปิญญามีตาทิพ์อาจเห็นเรื่องราวในอดีตได้แต่พระสูตรนี้กล่าวถึงบุคคลทั่วไปจึงหมายถึงเรื่องในอดีตการที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดขันห้าที่เกิดดับในอดีตเช่นจักขุปราสาสี และสภาวะการเห็นเป็นต้นไม่มีจริงในปัจจุบันบุคคลจึงไม่ควรยึดติดโดยคิดถึงสิ่งที่ดับไปแล้วด้วยตัณหาและทิฏฐิการยึดติดด้วยตัณหาคือการคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาด้วยความยินดีว่าจากักุประสาท์ของเรากระจ่างใสสายตาของเรามองเห็นได้ชัดเจนดวงตาใบหน้าคิ้วจมูกปากและผิวพรรณงดงาม เพียรพร้อมด้วยเครื่องประดับตกแต่งเมื่อก่อนได้เคยพบเห็นผู้คนซึ่งมีรูปงามน่าชมการยึดติดด้วยทิฏฐิคือการคิดว่าตัวเราเห็นคนอื่นสภาวะเห็นนั้นดำรงอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม้เสียชีวิตแล้ววิญญาณของเราก็เคลื่อนจากร่างกายนี้ไปเกิดในภพใหม่ดังนี้เป็นต้นแม้ขันห้า ที่จะเกิดในอนาคตก็ไม่มีจริงในปัจจุบันเป็นเพียงความคาดหวังของเราเหมือนคนซื้อหวยแล้วคิดว่าจะทำอย่างไรหลังถูกรางวัล น, นักปฏิบัติจึงไม่ควรคาดหวังอนาคตว่าขอให้จกักขุประสาทของเราจงกระจ่างชัดเจนตาของเราอย่ามัวเราจงมีรูปร่างหน้าตาสวยงามน่าดูตลอดไป แวดล้อมด้วยเพื่อนฝูงที่สวยงามขอให้สภาวะเห็นชมคงอยู่ตลอดไปดังนี้เป็นต้นทุกๆขณะของการปฏิบัตินักปฏิบัติพึงเจริญสติระลึกรู้สภาวะธรรมปัจจุบันในขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้เพื่อรู้ความปรากฏของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนผู้ขาดสติกำหนดรู้เท่าทันย่อมเกิดตันหาความพอใจว่าที่ยังเป็นสุขบังคับบัญชาได้และสวยงามทั้งเกิดทิฏฐิที่เห็นผิดว่าเป็นบุคคลเราของเราจิตย่อมตกอยู่ในอำนาจของตันหาทิฏฐิและมาเกิดความดําริในกรรมคุณอารมณ์ว่าบุคคลหรือสตรีที่พบนี้ มีรูปงามผู้จาไภเราะเป็นบุตริดาของคนนั้นเป็นบิดามารดาของคนนี้มีกิจธุระอย่างนี้มีนิสัยอย่างนี้ทำอกับกิริยาอย่างนี้บางคราวก็ดาริขึ้นด้วยความโกรธคือพยปาทะวิตตกว่าผู้ที่ได้พบหน้าไม่น่าดูพูดจาหยาบคายนิสัยไม่ดีเบียดเบียนเรา อย่าได้มีอายุยืนเลยบางคราวก็เกิดความดำ m ริในการเบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกว่าทำอย่างไรให้เขาได้รับทุกแต่ผู้เจริญสติรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันย่อมไม่ดำ m ริในกามในความโกรธและในการเบียดเบียนด้วยอำนาจของตัณหาทิฏฐิวิปัสนาจิต ท, ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจึงไม่ถูกชุดรั้ง และทําให้วิบัติด้วยตัณหาทิฏฐิเหล่านั้นการเจริญวิปัสนาที่พระกัจจยนะกล่าวถึงในสูตรนี้เป็นการเจริญสติระลึกรู้รูปนามเรื่อยไปจนบรรลุวิปัสสนาญาณที่1ิอซึ่งเรียกว่าสังคารุปเปกขายานคือญาณวางเฉยในสังขารอันเป็นญาณสูงสุดของปุถุชนตลอดถึงการอนุโลมโคตรรัูมขยานและ ผลญาณถามว่าคำภีวิสุทธิมักนำข้อความของพระกัจจยนะมากล่าวไว้โดยความเป็นอัตตาปัจจุบันคือปัจจุบันโดยระยะการตลอดชีวิตมิใช่หรือตอบว่าข้อนี้ท่านหมายถึงปัจจุบันตลอดชีวิตอันตัญหาทิฏฐิไม่อาจฉุดรั้งและไม่สามารถทำให้วิบัติได้ ไม่ได้หมายความว่านักปฏิบัติควรกำหนดรู้อัตตาปัจจุบันเพราะนักปฏิบัติควรกำหนดรู้เท่าทันสภาวะปัจจุบันในปัจจุบันขณะเท่านั้นหาใช่กำหนดรู้สภาวะตั้งแต่ปฏิสนธิจนจุติดังจะเห็นได้ว่าในพระบาลีข้างต้นมีข้อความว่าแม้พระอัตถกถาาจารย์ก็อธิบายไว้ว่าพระดารัสว่า ตัทะตัะในปัจจุบันขณะนั้นๆมีความหมายว่าสภาวะธรรมปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นแล้วในขณะใดๆนักปฏิบัติย่อมกำหนดรู้ธรรมที่แม้ปัจจุบันในขณะนั้นๆอย่างเดียวด้วยการยังเห็นเจ็ดประการมีอนิจจานุปัสสนาการยังเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นปิสับในคำว่า ปัจจุบันนำปิที่แม้เป็นปัจจุบันทำหน้าที่สัมภาวนาคือยกขึ้นแสดงเป็นพิเศษหมายความว่ารูปนามทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติอันศรัทธาปัจจุบันก็จริงแต่นักปฏิบัติไม่ควรเจริญสติกำหนดรู้รูปนามทั้งหมดนั้นสิ่งที่กำหนดรู้มีเพียงรูปนามปัจจุบันขณะ เท่านั้นเอวัสับในตัฐะตัดเทวะในขณะนั้นๆอย่างเดียวทาหน้าที่อวัธารณะคือห้ามข้อความอื่นหมายความว่าควรกำหนดรู้ปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆไม่ควรกำหนดรู้ปัจจุบันที่เกิดผ่านไปแล้วหรือยังไม่เกิดขึ้น